เรื่องการฝึกใจฝึกใจให้มีคุณภาพคุณภาพของใจก็มีหลายอย่างมีความอดทนมีความเพียรพยายามมีความเมตตามีสติรู้ทันมีความสึกตัวแล้วก็มีปัญญา หดยการมีสมาธิตั้งมั่นงนะพวกนี้ก็เป็นคุณภาพจิตฝ่ายบวกนะที่ต้องสร้างขึ้นด้วยการคุณภาพจิตฝ่ายลบก็ต้องลดทอนออกไปนะวิธีการก็มีหลายแบบสุดท้แต่ ฝึกบุ้งหม้ฝนะึกเมตตาก็ต้องอันจเจริญเมตตาจิตอยู่ บ, บ่อยๆฝึกความเพียร น, นะก็ต้องมีการขับเขียเข่ยวเขี้ยวเข็นตัวเองหรือมีชนะก็ต้องอาศัยแรงกดดันจากภายนอกเพื่อทำให้เกิด การบากบันพยายามฝึกสติก็ต้องอาศัยการเจริญสติให้มันดูตามดูรู้กายอรู้ทันกายและใจฝึกสมาธิก็ต้องฝึ ก, กให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือว่าฝึกให้จิตไม่ประมาทก็จะต้องระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆแต่และ ว, วิธีการมันก็มีรายละเอียดความแตกต่างนะของวิธีการมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน ถ้าไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของแต่ละวิธีการก็อาจจะสับสนปนเปหรือสงสัยว่าทำไมมันไม่เหมือนกันะภาวนาทำไมมันแต่ละที่แต่ละแห่งมันไม่เหมือนกันนั่นก็อา จ, จเป็นเพราะว่าจุดมุ่งหมายแตกต่างกันหรือว่าต้องการเน้นคุณภาพจิตชนิดใดชนิดหนึ่ง เรื่องการสุดจิตบางอย่างก็เป็นเรื่องที่ทำในชีวิตประจำวันแต่บางอย่างก็เลือนหายไปจนบางทีทำก็ไม่เป็นก็มีบางทีการศึกษาบางอย่างนะั้นมันก็ทำให้คนเราเก่งทางนึงแต่ว่า อ่อนแอรหรือพร่องไปทางหนึ่งมีคนเขาเล่าว่าจัดโครงการตระลมให้กับหมอทั้งครูหมอแล้วก็นักศึกษาแพทย์กิจกรรมันนี้ที่ทำก็คือให้แผ่เมตตาให้ตั้งจิตปรารถนาดีกับคนที่อยู่ข้างหน้า ก็มีหมอหลายคนทําไม่ได้นะไม่รู้ทํายังไง ใ, ให้แผ่ความปราศนาดีให้กับคนข้างหน้านึกไม่ออกทําไม่ได้ฟังแล้วก็ก็น่าตกใจนะคือคงไม่พราะว่าการศึกษาแล้วการ ทำงานของเขาเนี่ยนในเรื่องการใช้ความคิดมากในเรื่องการใช้ความคิดในเรื่องการใช้สมองไม่ได้ใช้ใจเท่าไหร่ที่จริงมันใช้ใจแต่ว่ามันใช้ใจในลักษณะอื่นหรือไม่เช่นนั้นก็ปล่อยใจไปจนกระทั่งไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้วิธีในการที่จะควบคุมจิตใจ ใช้แต่สมองมากจนหัวใจรีบพอจะให้แผ่เมตตาก็แผ่ไม่ออกทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเมตตานะแต่ว่าเขาไม่ได้ฝึกมาในทางนี้แต่พอรู้วิธีแล้วก็กกทำได้เหมือนกันคนเหล่านี้มาให้มาให้เจริญสติก็เจริญสติลาบากนะเพราะว่าใช้แต่ความคิดใช้แต่ความคิดมาดู มาดูกายดูใจจะใช้ความคิดวิคดเคราะห์ความคิดนี่มันเอามาดูไม่ได้นะมันมันไม่มีหน้าที่ดูมันมีหน้าที่วิคเคราะห์แยกแยะจะใช้จะดูได้มนต้องอาศัยใจอาศัยตาไในก็คือสติถ้าไม่ดูใจเลยนะใช้แต่ความคิดเนี่ยพอใจมาดูใจให้มาดูว่าตอนนี้เนี่ย อารมณ์ตอนนี้เรารู้สึกยังไงตอนนี้เรามีอารมณ์อะไรเนะี่ยทําไม่เป็นนะตอบไม่ได้ว่าตอนนี้รู้สึกยังไงมันก็ไม่น่าเชื่อนะที่ตอบไม่ได้ว่ามันรู้สึกยังไงตอนนี้มีอารมณ์อย่างไรตอบไม่ได้เพราะว่านั่นงใช้ความคิดมากไปหรือไม่เช่นั้นก็ส่งจิดออกนอก ไปรู้แต่เรื่องนอกตัวจนงรทั่งลืมกลับอดูใจเกิดความเหินห่างกับติดใจอันนี้ก็ก็เป็นผลของการศึกษานะการศึกษาสมัยใหม่มันทำให้มีความเที่ยวชาญความปาดเปรียวในการคิดเนะีย คิดเก่งคิดได้ทะลุทะลวงคิดได้นานอึดในการคิดในชาวบ้านเนี่ยหรือคนทั่วไปนี่เขาคิดได้ไม่นา น, านคิดนานๆเขาก็เหนื่อยแต่ว่าคนพวกที่เรียนสูงนี่คิดได้เป็นวันก็มีถ้าคิดมากไปแต่ว่าก็ทำให้ เรื่องอื่นมันด้อยไปการศึกษาคือการทำให้เกิดความฉลาดในเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องแต่ว่าทำให้งโง่ในบางเรื่องหรือในเรื่องอื่นอันนี้มันเป็นธรรมดาทาการศึกษาทุกชนิดการศึกษาในทางธรรมก็ทาให้ฉลาดในทางธรรมในเรื่องจิตใจแต่ว่าอาจจะงโง่ในเรื่องทางโลก ไม่ค่อยรู้ว่าโลกเขาเป็นไปอย่างไรหรือว่าเขามีามีมีการทำงานอย่างไรนะคนที่เราจะเห็นผู้ที่เป็นนักบวชนะหรือว่าพระ เวลาเสนอปัญหาเวลาเสนอวิธีการเกี่ยวเรื่องการแก้ปัญหาทางโลกฟังดูแล้วมันก็ดูหน้าจะเรียกว่าหน้าหัวเลาะไดบางทีก็ก็ว่าได้คือมันตื้นเกินไปแต่ว่าบางทีเจ้าเจ้าตัวก็ไม่รู้นะเพราชื่อว่าตื่งฉลาดในทางธรรมแล้วแต่ฉลาดในทางโลกด้วยส่วนที่ฉลาดในทางโลกนี่เรื่องทางธรรมเรื่องเรื่องจิตเรื่องใจก็ เรียกว่าตื้นเขินมากเหมือนกันหรือว่าอ่อนแอมากอย่างที่ว่านี่จะให้แผนเมตตาจะให้แผ่แผ่ความปรารถนาดีให้กับคนข้างหน้านทำไม่ได้นึกไม่ออกหรือว่าให้จะรู้จักอารมณ์ของตัวหรือว่าอารมณ์ตัวเองตัวนี้เป็นอย่างไรนี่ตอบไม่ได้ ซึ่งจริงก็เป็นธรรมดานะคนเราไม่มีข้อจำกัดมันเก่งด้านหนึ่งก็โง่องนอีกด้านหนึ่งคือด้านที่เหลือแต่ว่านี่แหละเมื่อเราต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้เราก็ต้องรู้ขแต่การเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สำคัยคือรู้ว่าตัวมีข้อจำกัดอย่างไรบ้างการเรียนรู้ที่สำคัญ ก็คือการเรยรู้ว่าตัวเองมีข้อจํากัดอย่างไรบ้างนี้เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ซึ่งก็รู้ว่ารตัวเองโง่ในเรื่องใดบ้างหรือรู้ว่าตัวเองไม่รู้ในเรื่องใดบ้างอันนี้ทเรียกว่าปราดเนี่ยปราชดก็คือผู้ที่ไม่เพียงแต่รู้เยอะเท่านั้นแต่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรบ้างคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้คนที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรบ้างเนี่ยถึงจะ เป็นปราดไดงแท้จริงแต่ถ้าคนที่เชื่อตัวเองรู้รอบหมดแล้วนี่อันนี้ก็เรียกว่ายังห่างไกลจากความเป็นปราดอันนี้ผู้เริ่มการฝึกฝนจิตเนี่ยเราก็มาพูดเรื่องกเรื่องการพัฒนาชีวิตด้านไนมันก็มีหลายอย่าง อันนี้เรียกว่าภาวนาการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนจิตมันก็าภาวนาบางทีก็เรียกว่ากรรมฐานมันก็มีรูปแบบในการปฏิบัติรูปแบบในการฝึกนะรูปแบบก็คือวิธีการที่เขาวางเอาไว้จนเป็นในร้ ส่นเป็นมาตรฐานก็ได้เช่นการการสร้างความการฝึกใจให้มีอภิมารตธรรมความไม่ประมาทก็ฝึกเจริญสติฝึกใจให้มีเมตตาก็แผ่เมตตาฝึกใจให้มีสติก็เนี่ยก็เจริญสติด้วยการเดินจงกรมสร้างจังหวะตามลมหายใจ ทำจิตให้มีสมาธิก็นั่งตามลมหายใจอันนี้ก็เป็นรูปแบบแต่ว่าขึ้นชื่อวรูปแบบแล้วเนี่ยมันก็แปลว่ามันมีหลายวิธีแลวมันไม่มีวิธีการใดที่ตายตัวหรือไม่ใช่มีวิธีการใดที่เป็นวิธีการเดียว นนวัา ก, การมี่ตารูปแบบแล้วในก า, ก, การเรียนรู้การฝึกจากสิ่งรอบตัวจากเหตุการณ์จากประสบการณ์ต่างๆก็สำคัญอันนี้มันเป็นหลักทางการเรียนรู้ทางโลและทางธรรมการเรียนรู้ทางโลกนอกจากเรียนในห้องเรียนแล้วนอกจากการอ่านหนังสือหนังหาแล้วก็ก็ต้องเรียนจากประสบการณ์จากชีวิตจริง การเรื่มหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยมาวิทยาลัยชีวิตคือการเรียนรู้จากจากประสบการณ์สมัยก่อนนี่การเรียนทั้งโลกนี่ต้องอาศัยประสบการณ์ล้วนๆก็ว่าได้คือไปฝึกงานเราไปฝึกงานเรื่องการทอผ้าฝึกงานเรื่องการตีเหล็กฝึกงานเรื่องการหล่อพระไม่มีห้องเรียนนไม่มีตำราสมัยก่อนก็ฝึกกันจากประสบการณ์ ไม่มีรูปแบบไม่มีหลักสูตรการเรียนรู้ทางธรรมก็เหมือนกันนะมันก็ตรการก็ไม่มีหลักสูตรที่ตายตัวแม้แต่สายพุทธการเนะี่ยก็วิธีการประลุธรรมของแต่ละคนก็หลากหลาย ก็เรื่อไม่มีมาตรฐานก็ว่าได้ในสาพันการมีพระรูปหนึ่ ง, งก็มาบวชนะต้องการพ้นทุกข์ก็ไปอยู่อุปชาอุปชาก็สอนก็แนะนำแล้วที่ท่านสอนก็สอนตาม แบบแผนก็คือเรื่องวินยัยศีขาบทมีอะไรบ้างอันอย่างนี้ทําได้อย่างงี้ทําไม่ได้ศีขาบทก็เยอะมากนะตอนตอนนั้นก็คงจะหลังจากที่พระเจ้าได้ตั้งคณะสงฆ์ได้ยี่สิบปีแล้วมั้งวินัยก็มากขึ้นศีขาบทก็มากขึ้นมากขึ้นมากข้อไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำได้อย่างนี้ทำไม่ได้ ปีษาบทมีทั้งอาบัตมีทั้งเกี่ยวเรื่องอาบัตน้อยใหญ่เยอะแยะไปหมดท่านก็คงจะทำถูกถูกผิดผิดนะนะก็ถูกตำหนิอย่างนี้ก็นีอาบัตอย่างนั้นก็อาบัตก็เลยท้อแท้ในจัสึก ขุอุบติชาก็ไม่อยากศึกก็เลยพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้า mm. ท้าวนี้ก็ให้เหตผลว่าอยากศึกฝ้าอะไรนะ mm. มันมีแต่เรื่องที่ทำไม่ได้ ม, มีแต่ข้อห้ามทั้งนั้นข้อห้ามทีอยแยไปหมดคุดเจ้าก็เลยถามว่าถ้าให้ปฏิบัติข้อเดียวจะจะทำได้ไหม พราหลวงก็บอข้อเดีย ว, วเหรองันก็ได้พระจ้าก็เลยนะวันนี้ให้รักษาจิตให้รักษาจิตให้ดูจิตรักษาจิตไม่ให้โกรธไม่ให้โมโหไม่ให้ขึ้นไม่ให้ลงท่านก็รับไปทํำนะข้อเดียวก็เอาก็ในท่สุก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตะ์อันนี้ก็เรียกว่า เป็นเป็นอูบาของพุทธเจ้าเนยที่ได้เห็นว่าเหมาะสำหรับรารูปนี้อีรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่นสิทธพัสดริบุตรนักาฏิบุตรก็ให้ไปพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาเท่าไหร่ก็จิตใจก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยคือไม่เกิด ความเก้าหน้าก็เกิดการท้อแท้ในการปฏิบัติพระส า, ารุก็เลยแนะนำให้ไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ให้พิจารณาดอกบัวแทนนะมันคนละเรื่องเลยนะดอกบัวกับศพเนี่ยศพที่กำลังเน่าเปื่อยนยะพิจารณาไงก็ไม่เกิด ความเกาหน้าคือให้พิจารณาดอกบัวดูดอกบัวที่มันที่มันเบ่งบานสวยก็จะดึงเอาดอกบัวมาเด็ดดอกบัวผ่านนะไม่ใช่ดอกบัวในสระทีแรกมันก็สวยดีแต่ตอนหลังก็ค่อยร่วงก็ค่อยโรยก็ค่อยเหี่ยวท่านพิจารณาก็เห็นนะความ ความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจากความไม่เที่ยงดอกบือก็น้อมเข้ามาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารของตัวเอง ใ, ใจก็ปล่อยวางเกิ ค, ความเบือ่อเกิดความหนาก็ปล่อยวางอาจิตก็หลุดพ้นได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอ จะต้องใช้วิธีใด ว, ว, ว, ว, วิธีหนึ่งวิธีเดียวนแต่ละคนก็มีวิธีการของตัวเองแต่ว่าสิ่งที่ไปเสียไม่ได้คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้จากของจริงใช้ของจริงเพื่อเอามาฝึกใจ ไม่ใช่แต่ทำไม่ใช่เรียนรู้จากการทําตามรูปแบบเฉยๆถ้าปฏิบัติธรรมจำนวนมากก็เรียนรู้จากรูปแบบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานแต่ว่าพอไม่ได้ปฏิบัติตามรูปแบบแล้วก็การเรียนรู้ก็หมดไปเหมือนกับนักเรียนนักเรียนก็เรียนอยู่แต่ในห้องพอออกจากห้องก็การเรียนรู้ก็ก็วาง ไม่ได้คิดว่าการออกการเรียนรู้ยังเกิดขึ้นได้นะนอกห้องเรียนแม้จะจบปริญญาเอกแล้วยังต้องเรียนรู้ยังมีอะไรต้องเรียนรู้กเยอะหลายคนพอจบปริญญาเอกแล้วก็เลิกเรียนรู้แล้วคิดว่ารู้ตัดสรู้หมดแล้วนะอันนี้ก็เป็นความหลงที่การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวจากประสบการณ์ชีวิตที่สําคัญนะ หรือว่าไอประสบการณ์นี่มันเป็นประสบการณ์ที่เป็นของจริงหรือเป็นประสบการณ์ที่มันกระแทกใจหรือว่าไม่ถูกใจนี่มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเรียนรู้มากช่วยทําให้เกิดการเรียนรู้ได้มากแล้วคนเรานี่ถ้าถ้าถ้าหากว่าพาตัวเองไปเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ถูกใจหรือขัดขัดใจ แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เกิดพัฒนาการขึ้นได้แล้ครูบาอาจารย์ที่เก่งนี้ก็ก็จะทาทางให้สิทธิ์นี้ได้ไปเจอกับเหตุการณ์ที่มันไม่ถูกใจเพื่อได้เรียนรูนะ้จากเหตุการณ์เหล่านั้น อาจารย์สุมเมทรนะท่านเล่าว่าสมัยที่บทใหมๆ่ๆของหลวงพ่อชาก็ไม่ถึงกับบทใหม่ก็คือพอจะพูดภาษาไทยได้ละพูดภาษาไทยได้ระดับหนึ่งพอที่จะเทศได้ก็คงได้เทศได้ออกงานอยู่หลายครั้งนะแล้วมีครนหนึ่งก็ เป็นการเทศไปงานที่ไดที่ถึ่งสักแห่งนะที่ไม่ใช่หลงหนองบับพง์แล้วก็จูๆว่าสั่งให้านายจ่าซุเมทโทนซึ่งชาวอเมริกันเนี่ยไปเทศโยงฟังฟ่งสามชั่วโมงโดยไม่ทันได้เตรียมเลยแล้วก็กำชับว่าถ้ายังไม่ครบเวลาห้ามลงห้ามลงจากธรรมะม ไอตอนที่ตอนเทศเนี่ยใหม่ๆนะักเทศสักสิบนาทียีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงก็เทศได้นะมีเรื่องเทศเยอะแต่พอพูดไปเป็นชั่วโมงเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรแต่ก็ลงไม่ได้ก็ต้องหาโน่นหานี่มาพูดไม่รู้จะพูดอะไรสุดท้ายก็เลยพูดไปก็ไปเบียนมาก็อึดอัดมากนะ การเดียกันคนฟังก็ก็เริ่มเบื่อนะเขาก็ก็คงจะง่วงเพราะว่าไม่ตั้หนึ่งสามชั่วโมงก็โยมที่ฟังหลายคนก็หลับนะหลับกันเป็นแถวเลยเล้ท่าคนคงจะรู้สึกเสียเสียความรู้สึกมากนะพูดแล้วไม่มีคนฟังแล้วตัวเองก็พูดไม่ไม่รู้จะพูดอะไรวกไปเวียนมา พูดจบก็คงจะจะจะคงไม่ไม่ไม่สบายใจรู้สึกเสียเซลแต่ในภายหลังที่ท่านก็บอกว่านี่ต้องขอบคุณนะในความเมตตาของร ป, ประชาเพราะว่าที่ให้ขึ้นไปเท่เนี้ยก็เพื่อจะฝึกเนะ <c oughs> เรียกว่าลดอัดตาของท่านท่านใช้คำว่าแก้กิเลส ให้ไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ดได้เป็นการลดอัตราเพราะท่านบอสนิสัยคนอเมริกันนี่ก็เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากอิีการหนึ่งก็เป็นผู้ที่หวังผลสำลิดด้วยพูดไปก็อยากให้คนชื่นชมพูดไปก็ต้องพูดให้ดีเพื่อคนชื่นชม ถ้าใครไม่ชมถ้าใขรไม่ยอมแล้วก็เสียใจนิสัยแบบนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่าช้าคงเห็นนะว่ามันมันต้องแก้ไขเลยก็เลยส่องนินไปเลยให้ไปเทศสามชั่วโมงให้ไปให้ไปเจอกับความล้มเหลวซึ่งซึ้งหน้ามันจะได้ลดอัตราลดอัตราตรวจตน ที่เคยเชื่อมว่าฉันเก่งกูแน่เนี่ยก็จะได้อัตตานี่ถูกทรมานจะได้ไม่หลงเชื่อมาในตัวเองขณะเดียการก็ทำให้ไม่ไปหวังผลสำลิดมากนะจากการทำนั่นทำนี่หรือจากการพูดอยากจะพูดให้ดีไม่อยากจะอยากจะเห็นคนชม ไม่อยากจะเจอคนนั่งหลับคนฟังนั่งหลับไม่อยากเจอก็ต้องได้เจอนะจะได้จะได้ไม่ทุกนะจะได้ปล่อยวางได้ซึ่งก็เชื่อว่าก็ทำให้ท่านได้บทเรียนไปเยอะนะนอกจากช่วยลดอัตราแล้วก็ทำให้เวลาไปเที่ยวที่ไหน คนชมไม่ชมก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเขาเราก็ทำให้ดีที่สุดแต่ไม่ไม่หวนไหวนะจิตใจไม่หวนไหวกับโลกธรรมอานธรรมดาเนีเวลาเที่ยวอยาให้คนชมถ้าหากว่าคนไม่ไม่ชมหรือว่ารู้สึกเท่ไม่ดีก็ก็หงุดหยิดไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง แสดงว่าจิตก็ยังยังยังไม่มั่นคงยังหลงยังติดอยู่กับคำชื่นชมสารเสริญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะเป็นธรรมดาที่เป็นเป็นการบ้านอย่างหนึ่งนะที่นักปฏิบัติจำต้องฝึกแต่บางทีก็ไม่ยอมฝึกนะไม่ค่อยได้ฝึกนะจากของจริงเท่าไหร่ ก็ยังไปหลงอยู่กับคำชื่นชมสารเสรอหรือแม่ก็ยังทุกข์กับคำไม่ต้องติดฉีนอินทาสักเพียงแค่เขาไม่ชมก็ทุกข์ละอันนี้ก็เลยผมว่าเช้าก็เลยส่งไปให้ไปเจอของจริงจะได้ฝึกให้ใจปล่อยวางบ้างแต่ที่จริงเราไม่ยังไปต้องรอให้ให้อาจารย์นะ ส่งไปเจอเหตุการณ์จริงนะแล้วเราสามารถจะเรียนรู้จากเหตุการเหล่านี้ได้เสมอเสมอเพราะมันก็มีมาให้เราได้เรียนรู้มีคราวหนึ่งก็มีพระชาวออสเตรเลียชื่ อ, อยานันทมโมนท้านเลาว่าวันหนึ่งเนี่ยมีเรื่องขัดใจกับ้ารูปหนึ่งในวัดก็หุดหงิดไม่พอใจ วันลุงขึ้นไปบินธ บ, บายก็ก็คิดแต่เรื่องนี้แหละก็เลยเครียดเครียดตลอดทางเลยระหว่างที่บินธ บ, บายขากลับเข้าวัดก็พอดีเจอหลวงพ่อชาเดินสวนมาหลวงพ่อชาเห็นนั้นก็เลยยิ้มให้แล้วก็พูด Good Morning mm hmm. พอดีอินเท่านั้นแหละท่านยันทมโมก็จิตใจก็ฟูและปิติมากเลยเพราะหลวงพ่อชาท่านไม่ค่อยพูดทักทายกับใครแบบนั้น mm hmm. ท่านยิ้มให้แล้วก็พูดนะทักทายเป็นภาษาอังกฤษไอ้ความหงุดหงิดความเครียดความไม่พอใจพระในวัดก็หายไปไมีแต่ความปิติ ปฏิทิทั้งวันเลย ต, ตอนเย็นหลวงพ่อชาก็เรียกให้พระยันตธรรโมเนี่ยมามานวดโอ้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าถ้าไม่เคยไม่เคยเรียกใครมามาทําแบบนี้ให้มาอุปถาใกล้ชิดตอนนั้นเป็นพระใหม่ไม่เคยได้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อชาได้มีโอกาสใกล้ชิดกับหลวงพ่อชาสองร้สองก็ปลืม้มระหว่างที่นวดก็ปลื้มไปด้วย จู่ๆนะไม่ทานรู้นรู้ตัวนี่หลวงพ่อชาก็ถีบยอดอกกระเด็นเลยตกใจโอ้กําลังปลื้มนี่ถูกถีบไม่ทานรู้เนรู้ตัวแต่หลวงพ่อชาก็พูดเนี่ยจิตใจไม่มั่นคงพอเจออะไรไม่ถูกใจก็ขัดเคืองพอ แลออะไรที่มันสมปรารถนาก็จิตใจก็ฟูฟ่องนี่ท่านเตือนท่านถีมนี่เป็นการเตือนว่าทีหลังนี่ให้ใจนี่้มันคงหน่อยอย่าไปหวั่นไหวกับอะไรง่ายๆเจอเรื่องไม่ถูกใจนะก็ให้มีสติรู้ทันเจอเรื่องที่ดีใจเจอเรื่องที่ถูกใจก็อย่าไปฟูอย่าไปฟูอย่าไปดีใจไม่ให้รู้ทัน ก็เป็นประสบการณ์ที่ท่านไม่ลืมเลยนะเพราะว่ามันทําให้เตือนใจว่าแ้่งรู้สักต้องรู้จักทําใจให้ให้มันคงเอาไว้ตนะอนนี้บางทีเรียนจากไปเรียนจากการปฏิบัติก็ไม่เคยได้นะเวลาปฏิบัติเนี่ยมันมีอารมณ์ฟูฟ่องอารมณ์หรือว่าอารมณ์ที่ โคตรถูเศร้าหมองแต่ก็นักปฏิบัติก็ไม่เคยเก็ตเท่าไหร่ก็ปล่อยใจไปตามอารมณ์เหล่านั้นแต่ถ้าเจอแบบหลงแบบท่านอาจารย์ธรรมโมเจอลูกถีบหรือว่าชายนี่ก็มันก็เตือนใจได้ดีนะเวลาใจลอยก็ต้องเตือนแล้วยต้องทําใจให้กลับมาเป็นปกติใจฟูเมื่อไหร่ก็เตือนใจกลับาปกติเวลาใจแทบนี้ยให้กลับมา เป็นปกติอันนี้ก็ถือว่าได้ได้ของดีกักหลวงพ่อชานะถือแม้ทีแรกนี้ท่านตกใจมากแต่พอหลวงพ่อชาตำหนิก็ร้องไห้เลยร้องไห้ด้วยความซาซึนนะว่าท่านสอนบทเรียนทีที่ ที่แรงแค่เดียวนะคนเราบางทีต้องเจออะไรแรงๆนะมันถึนไงจะได้เรียนรู้หลอาจารย์สุเมยโทแล้ว ก, ก, มมนะก็เจอนะเจอบทเรียนที่แรงๆก็ทำให้เรียนรู้เรียนรู้ที่จะทำใจเปนะ็สละจากจากคำชื่นชมสารเสรื่อหรือคำตำหนิไม่ยอมรับ แต่ก็มีคนจนนไม่น้อยไม่เรียนรู้เลยเจอแล้วเจอเจอแล้วก็ยังพอเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็อ่นหมองพอเจอสิ่งที่ถูกใจก็ดีใจน้่นคือลงึ้นลงเนี้ยครั้งแล้วครั้งเล่าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดืนเล่าปีแล้วปีเล่าก็ยังไม่เคยเรียนรู้เลย ทั้งที่มันเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ได้มากนะว่าถ้าใจปล่อยใจฟูใจแฝงนี่มันทุกข์ยังไงไอ้ใจฟูนี่มันก็คนก็มอไม่เห็นว่ามันทำให้ทุกข์นะมันทุกข์ก็เพราะว่าพอมันไม่ฟูอย่างที่อย่างที่อยากเนี่ยใจก็เป็นทุกข์ทันทีที่จริงในการปฏิบัตินะ ตามรูปแบบมันก็มีอะไรต่ออะไรให้เราเรื่อเรียนรู้ น, เนนะเช่นความเบือ่อความเซ็งความหงุดหงิดแต่คนก็ไม่ค่อยเรียนรู้เท่าไหร่ทั้งที่มันเป็นมันเป็นบทเรียนที่ดีมากเรามักจะคอยจดจ้องแต่หาประสบการณ์ดีๆนะให้ใจมันรู้ทันความคิดอยากจะได้ความสงบ เวลาเจอความหงุดหงิดเจอความเบื่อก็ก็หนีมันหันหลังให้มันไม่พยายาที่จะเรียนรู้จักมันทั้งที่มันเป็นเป็นบทเรียนที่ดีนะที่สอนให้เห็นว่าเรากำลังวางใจผิดแทนที่เราจะใคร่ควรวญว่าเออเราวางใจผิดอย่างไรนะถึงมีอารมณ์รู้สึกแบบนี้ก็กลับไปโทษนั่นโทษนี่ โทษว่าบรรยากาศมันน่าเบือ่อโทษผููคนว่าทำตัวไม่ดีพูดเสียงดังหรือว่าไม่เขียนทำงานโทษไปโน่นแต่ว่าไม่เคยกลับมาดูว่าไอ้ที่เราที่เรากลังทุกนี่เป็นเพราะอะไร แต่ว่าเวลาคนเรานี่เรียนรู้นะจากความทุกจากสิ่งที่ไม่ถูกใจจากเหตุการณ์ที่ชวนให้ขัดเกลืองใจได้มากกว่าเรียนรู้จากเวลาที่เป็นสุขเวลาที่สบายเวลาเจออะไรที่มันถูก อ, อกถูกใจแต่ว่าพอเจอไอ้สิ่งที่เป็นลบเหตุการณ์ที่เป็นลบก็มักจะหนีหรือว่า มักจะต่อต้านก็ไม่เคยได้เห็นเห็นใจตัวเองจากเหตุการณ์เหล่านี้เลยนะสิ่งที่เร า, าทุกข์เนี่ยนะเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเห็นมันนะไม่เข้าไปเป็นนี่นะอย่างที่หลวงพ่อคำคุนได้บูชบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากแต่เพราะว่าไม่ ไม่ี่ดที่จะเห็นมันแต่เข้าไปเป็นแล้วทีจริงๆถ้เรามองตั้งแต่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างสิ่งที่ขัดเขืงใจเราเนี่ยนะมันมาสอนให้เราฝึกฝึกให้เราเนี่ยเห็นนะไม่เข้าไปเป็นความปวดความเมื่อยก็เหมือนกันความเบื่อก็เหมือนกันนะความโกรธก็เหมือนกันรู้น่าจะ เลียงหน้าเข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นไม่ค่อยไปเป็นเราก็จะได้เรียนรู้อะไรได้เยอะเลยและฝึกให้เราให้จิตใจเรามั่นคงนะไม่กระเพื่อมไม่กระเพื่อมเพิ่งจะเพิ่มลงในการเรียนรู้จากเหตุการณ์จริงจากความทุกข์จากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานี่ มันเป็นมันเป็นเคล็ดลับทีเดียวเนะนี่ยถ้าไปถ้าไปเอาแต่ปฏิบัติแต่รูปแบบนะแต่ว่าไม่เรียรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในระหว่างที่ปฏิบัติเองนะแล้วก็ระหว่างที่ออกจากการปฏิบัติเนี่ยก็ถ้าก็ว่านะขาดโอกาสเสร็จแล้วก็เลยจิตใจก็เลยกลับมาสู่ร่องเดิมซ้ําแล้วซ้ําเล่า เจอสิ่งที่ถูกใจก็ฟูดีใจเคลิ้มพอเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็อดหูงุดหิตเศร้าเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้คนเราก็ไม่เบื่อเหมือนกันนะไม่รู้จักเบื่อมันก็เลยหลงวนอยู่กับทางสารลวัตไม่จบไม่สิน้นกะ็แปลนะ เวลาเจอสภาพที่มันเรียบๆปกติราบลื่นเนี่ยกับบอกว่าเบื่อเบื่อแต่ว่าไม่ยอมไม่รู้จักเบื่อทีก็ไอภาวะจิตที่มันขึ้นลงขึ้นลงกระชากขึ้นกระชากลงอย่างนั้นน่บางทีมาเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าฟูแฟบฟูแฟบฟูแฟบฟูแฟบเวลาหลายครั้งก็ไม่เบื่อสักที ที่จริงน่าจะเบื่อนะแล้วก็หาทางที่จะทำให้ใจเป็นปกติไอ้สิ่งที่สมควรเบื่อก็กลับไม่เบื่อสิ่งที่ไม่สมควรเบื่อก็กลับเบื่อมันก็เลยไม่ไปไหนก็เลยย่ําท้าอยู่กับที่แล้วก็จงอยู่ความทุกข์เรื่อยไป